วันนี้อาจจะมาไดยมาปรากฏตัวอยู่ในที่นี้เพราะว่าดุกเส้นหากคุณทิศินดุจเดุกจิตนะลนสีตาไน่มนมาพบกับญาติโยมทั้งหลายที่นี่ด้วยที่ได้มาพบทันทั้งหลายในที่นี้นับว่าเป็นโชคดีมากที่สุด บางท่านก็คงจะไม่นนรู้จักว่านั่งอยู่ในตะเคียนหน้ากับท่านนี้คืออะไรแต่ น, นีก็คือพระสงฆ์เสนาว่าซึ่งพระ ก, ก็พิเนไทยแลนด์เมืองไทยได้พยายามเข้ามาสู่เมืองนี้กว่าสุระบางอย่างฉะนั้นจึงมีการประชุมกันที่นี่เพื่อจะให้รู้ความเป็นไปของเสราวาาพุทธศาสนาเหมาะสมควรที่อยู่เมืองไทย มีสำ น, นักมีเรียกว่าสำ น, นักวัดหนองปลาปงและก็มีชาวชาวรันตงไปศึกษา ส, สิ่งกรรมฐ า, านเรื่องพุทธศาสนาตรอดจนทุกวันนี้มากมายแลเรื่องพระพุทธศาสนาสของเถรวาทีมม่ดำเนินมานี้เป็นคำสอนที่ หม่เสมอมนเคยเก่าแก่เน่ยเคยเสียหา ย, ยากบทุกทันทุกสมยัยทุกเวลากับประชาชนทั้งหลายด้วยคือสอนให้ประชาชนทุกกลุ่มเราเขามีความสามัคคีกลมเกลียวก็เป็นอันเดียวกันวยความสามัคคีมั่นคงเป็นต้นว่า ท่านจะสอนพวกเราท่านทั้งหลายนั้นในกลุ่มมันเดียวคืออะไรที่จะเป็นความทั่วที่เดือดร้อนไม่สงบวุ่นวายท่านสอนในสยามระจีทั้งหลายเหล่านั้นตอนนั้นปลายท่านจะสอนให้มีปัญญารู้จักในความผิดชอบที่จะทําในมันเดือดร้อนเฉพาะบุคคลในกลุม่มชนทั้งหลายด้วย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 ของพวกเราทั้งหลายต่อไปนี้จะให้พยายามทําจิตใจให้เป็นสมาธิคือ ท, ทําจิตให้เป็นหนึ่งกับอารมณ์อันหนึ่งที่เรียกเป็สมาธิจงสั่งใจฟังต่อไปนี้การทํำจิตของเราทั้งหลายให้มีกำลังต่างจากการกระทําทร่างกายเราให้มีกำลังเรียลแรง ร่างกายเราจะมีกำลังมากจะจ้องวิ่งจะต้องเคลื่อนไหวตอนเท้าตอนเย็นทำให้ร่างกายเราแข็งแรงเคลื่อนไหวส่วนจิตนั้นทำจิตให้หยุดนิง่งทำจิตให้สงบจิตจะเป็นภาระจิตจึงจะมีกาลังเรียกว่าสมาธิทำที่ว่าทำจิตะเป็นสมาธินั้นไม่ใช่ว่าทำเดียวนี้มันจะเป็นสมาธิเยียวนี้เพราะว่าจิตของเรานี้ เรายังไม่เคยฝึกให้นิ่งยังไม่เคยฝึกให้จิตสงบตงแต่เมื่อเราเกิดมายังไม่เคยยังจะมีวันนี้ที่จะทำจิตให้สงบที่จะนั่นจงตั้งใจทําสงบบ้างก็เอาไม่สงบบ้างก็เอาประชาชนบางท่านเคยไม่เคยฝึ ก, ก็กลัวกลัวจิตกลัวว่าทําจิตให้สงบกลัวมันจะเป็นโรคประสาท กลัวมันจะเป็นบ้ากลัวจะเป็นอะไรหลายอย่างเพราะเรายังไม่เคยฝึกก็กลัวไปอย่างนั้นนี่จะนั่นอันนี้ไม่มีอะไรแล้วต่อไปนี้ท่านจะนั่งในลักษณะอันในประจานจะนั่งในความสงบให้มีท่าตั้งอันสงบสบายให้ท่านทุกคนดับตาลงจากนิดหนึ่งแลว้วก็กําหนดโลมหายใจเข้าออกลองกำหนดตัวที่ลองกำหนดโลมหายใจเข้าออกดูที่ลองเรียเนี้ยกทำเมียเนี้ย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 บางสิ่งบางอย่างนั้นบางทีมันไม่ไม่ถูกต้องตามกาาันเทศศาสตราหิอาภัยเลยนะขอโทษเลยนะคนเราอะไรที่ยังไม่รู้จักมันโง่ทุกคนเนี่ยอะไรที่เราไม่ได้เรียนไม่ได้รู้โง่ทุกคนที่ยังไม่รู้จักมันตงง้องโง่ให้ใจไวเพราะจิตคนโดยมา ก, น, อมอาก น, น้นอมไปเลยน้อกมมาเช่นวันนี้ให้มั่งสงบอย่างเนี้ยนะ ไอคนที่ฉลาดบางคนคงจะรู้ว่าแม่มันไม่สงบเราเสียงอะไรมาควรเราเสียงเด็กมันมาควรเราเสียงเดียวมันมาควรเราทุกอย่างไม่สงบอยูอย่างนี้คนนึกว่าเราคิดถูกเพราะความฉลาดแต่ว่าความโง่ในนั้นเห็นเนีไงว่าไอเสียงมันมาควรเราหรือเราไปควรเสียงอย่างนี้เราไม่นิดดูนะถ้าที่แพ้เราเราไม่ไปควนเสียงนะไอเสียงมาควรเราเน่ะใช่ไหมเป็นอย่างไงเนาะเราไปควรเขาหรือเขามาควรเราเน่ะดูที่ นี่แหละมันมันมันโง่อยู่อย่างนี่แหละคนฉลาดโง่มันโง่อย่างนี้เอ้นี่นะ่าะยังไม่ยอมอยู่ไเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ยคือเราไม่รู้จักอย่างนี้คือเรานอกมองไปทางนอกไม่ดูทางในใช่ะตัวนี้ก็ระดาษด้วย่ยไปใครกวนจริงเราไปกวนเขาแสบแย่เลยนม่ว่าเขามากวนเราอย่างนี <c oughs> อันนี้ก็เป็นเหตุให้พวกเราสังหารไม่จะบายใจ เป็นเหตุ ierung, ไอ ja e ้ใจเราไม่สงบเป็นเหตุไอใจเราไม่สบายวุ่นวายเพราะเราไม่รู้ตัวเราเองอย่างนี้อย่างโรคปัจจุบันนี้ในเมืองนี้ทุกๆุกเมืองนันแหละเขาบอกเป็นเขาอยู่อย่างนั้นเขาไม่ได้เป็นอะไรเราไปยึดหมายว่าเขานั้นไม่ดีเขานั้นดีอย่างนั้นชอบใจเราอย่างนี้ไม่ชอบใจเราอย่างนี้เราก็วุ่นวายไปนั่นเนี่ยไอ้ความเป็นจริงโลกเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นอืเราไม่รู้เรื่องของเราเองพอเราโง่ ลูกศิษย์อตาตมานี่เยอะมันกันท่งมีมาเรียนมหาวิทยา ล, ลัยทางชาวตะวันตกเนี่ยพูดถึงลูกศิษย์อตาตมานนะี่ะเรียนก็ไปยิ่งโง่ยิ่งทุกข์ยิ่งเสี่ยงกันไม่ตกลงกันทัน้งนั้นยิ่งแย่งกันทั้งนั้นเนี่ยนี่จะเสี่ยงกันไม่ต้องทํางานหรอกอย่างเนี้ก็เพราะไม่รู้จักเจ้าของมันเองวันนี้ถึงมาเล่าเรื่องพุทธศาสตร์ไปฟังวันนี้เรียนพุทธศาสตร ศาสตร์ในปัจจุบันเนี่ยมันหลายศาสตร์เยอะเนนับไม่ไหวแล้วศาสตร์ที่เราเราเรียนเนะี่ยแค่ว่าศาสตร์ไม่เคยยอมกันนะ่ะศาสตร์อะไรก็ดีทั้งนั้นเนี่ยแต่ว่าให้มารวมพุทธศาสตร์ถ้าไม่มารวมพุทธศาธสตร์ได้ศาสตร์นั้นยังใช่ไม่ได้ยังไม่ลงรอยกันยังแข่งแย่งกันยังปิดขากันยังพยาบาลกันยังวุ่นวายกันตลอดเวลานั่นบันนี้ถือโอกาสมาพูดให้ฟังเนะ เอาของขวนมาฟากบางทีถ้าหากมันเป็นอย่างนั้นก็แก้ตัวใช่ในจิตของเรานี่มันมีอะไรที่มันควจะดีมั้งใจค่อยหยิบมันออกอย่าเพิ่มมันเข้ามาเลยใจค่อยหยิบมันออกอะไรที่มันไม่ดีมันเหบียดเบียนตัวนี่เหยียดเบียนคนอื่นเนี่ยอะไรที่มันไม่ดีในใจใจค่อยหยิบมันออกอย่าเพิ่มมันเข้ามามันนักอันนี้เรื่องเริ่มพุทธศาสตร์เบืองแรกท่านสอนเรื่องศีลเป็นตัวอย่าง หนึ่งเรื่องเที่ยให้เดียดเบียนตัดเด็กจัดน้อยจัดใหญ่ให้ทั้งมนุษย์นี้ส่วยกันเนี่ยอันนี้จะเป็นพุทธศาสตร์อันนี้ไม่ให้เราเดี๋ยวนี้ในประการที่สองก็มาให้เราแย่งจิตกันเล่นกันทุกอย่างให้ปล่อยตามอย่าไปแย่งจิตกันี้ได้ปแข่งแย่งการนี้อันหนึ่งอันนี้เราก็ปล่อยไปอืออันนี้เรื่องพุทธศาสตร์ไอที่สามนั่นก็อพูดสมัยคาราะเราเนะ มีครอบมีครัวเป็นธรรมดาอย่าไป น, นอกใจครอบครัวเราถ้าไป น, นอกใจครอบครัวเราอันั้นเป็นเรื่องเดียดร้อนประการหนึ่งประการที่สามอย่ากโกหกกันมีความซื่อสัต์จ่อกันทุกๆคนอันนี้เป็นข้ออันนึ่เรียกว่าพุทธศาสต์ข้อที่ห้านั้นอย่าไปดื่มของเมามันเมาอยู่แล้วละในใจเรามันเมาอยู่ทุกอย่างเราไปดื่มมันเข้ามันเลยเมาเมาเลยมันกลายเป็นมืมดในรูเรื่อง ถ้ามารวมกันได้ตรงนี้เรียกเรียกว่าพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์นี่มันครอบศาสต์ทั้งหลายไม่ให้ศาสตร์ทั้งหลายผิดไปไม่ใหศาสตร์ทั้งหลายต่อความเดือดร้อนพุทธศาสตร์นี่คือครอบก็อย่างเนี้ยทุกๆุกคนก็เหมือนพี่กันน้องกันทุกคนไม่ยุดหยุดาพยาบาทกันผ่าเรียนศาสต์ทุกอย่างมีความรู้เดียมารวมพุทธศาสตร์นี้เรียกว่าเราเป็นชาวพุทธเรียกว่าพุทธศาสตร์ศาสนาตรงนั้น อยู่ที่ไหนกอสบายอยู่ที่ไหนตัเวเยียนเย็นอย่างนั้นอันนี้มีความหมายอย่างนี้ที่จะมามาตัดเยี่ยนวันนี้เราทุกคนที่นั่งอยู่นี่เคยเป็นทุกข์ไหมครทุกข์ใจไหมทําไมมันจึงทุกข์ใจทําไมทําไมมันจึงทุกข์ใจมันเป็นอะไรในใจใจมันคิดผิดจึงมันจึงทุกข์ถ้ามันคิดถูกมันจะทุกข์ไหมเนี่ย นีไหโยมมาไปพิจารณาอย่างนี้การ ท, ทํำสมาธิวันนี้เตัวการผิดหงุดหงเนี่ยให้รู้จักตัวนี้เองตัวอารมณ์จิตนี้ให้มันรู้จักทางมันจ้ะให้มันรู้ จ, กจกักสีดรู้จักถูแต่วันนี้จังใจไม่ใช่มากหรอกไหมไม่มีเวลาอถ้าจะนั่งตามแบบจริงๆแล้วจะต้องจะต้องทําใหม่อันนี้เดี๋ยวว่าอจะมาไม่ได้มาเทิดไม่ฟังหรือมาเยี่ยมมาเยี่ยม ให้ควมเห็นมี้ไม่เสียน้อยนั่นเราจะมาจิงขอโทษถ้าหากว่านั่งจะมาที่จริงๆจะมาเนี่ะต่อไปนี่ยทํา ม, มาเนี่ยมาให้นั่งเก้าอี้ยังไมเนี่ยนั่งพื้นราบอย่างนี้เลยดเหรอเนี่ฝึกเตรียมที่ต้องทำอย่างนั้นทำอยัางนี้ก็สบายเกินไปแล้วเนี่ย้ังวลนอนแค่นเด็กจะนั่งพื้นราบทำสมาธิจริงๆอย่างนั้นต่อไปก่อนมาที่หลังก่อนจ้าใหม่บ้านนี้ให้ให้ใหอภยัย อาคารบ้านท้องมันใหญ่มันโตทั้งนั้นเนี่ยอที่ไหนมันก็ใหญ่โตทั้งนั้นเนี่ยใจะอยู่ไม่ค่อยสบายดูเป็นไงอยู่บ้านท้องใหญ่โตโตไม่ค่อยสบายบางทีนอนไม่หลับทั้งคืนนลยรู้ว่าเป็นไงอันนี้ไม่เป็นปะ อ, อะไรนี่ดูที่ชื่อยูนันแหละนี่เนี่ยดีแน่้อธรรมชาติ ด, ดีทั้งนั้นเนี่ยมันดีแต่ธรรมชาติใจเรามันทําไมมันไม่ดี นีม่มันเป็นเคราะอะไรฉะนั้นเราต้องแสวงใจเราจะมาแต่งอาคาดีมันหลายเห็นหลายขั้นตรง น, นี้เด็กเขาไม่สบายข้าใจเราไม่ถูกมันถ้ามชาติจะมาแต่งให้มันดีขึ้นกว่นีใจแล้วก็ยังไม่ดีเพราะเราไม่แสวงใจเราฉะนั้นดังนี้อาจจะมาเป็นคนอยากจบในแส่งใจเป็นของที่สํำคัญมากที่สุดทื่อยู่ที่อาศัยนี้อาหารการอยู่กินนึ้อาหารเลี้ยงร่างกายเราเนี่ยจะมาว่ามันสมบูรณ์แล้ว มีเดียวค น, นวนอ้วนอย่างนั้นแหละแต่ว่าอาหารเบื้องจิตใจดาจามาเห็น์เามันยังไม่ค่อยจะพออ่ะบางคนไปนั่งงงอยู่ฝั่งทะเลเนี่ยนั่งจะดูดูแล้วก็นั่งนั่งไม่สบายนะในท่าที่ไม่สบายไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเนี่ยดาจามาเฮนน์เราขาดอาหารอย่างหนึ่งจะได้บางทีไปตามบอกคุณคุณคุณจริงเนี้ยจะมารู้สึกว่าอาหารหมดขาดอาหารทางใจมากเคยมีไหม รูนะรู้นะอะไรมันเป็นเหตุไหมอะไรมันเป็นเหตุไหมมันให้เป็นอย่างนั้นมันมีเหตุไม่ใช่มันเกิดจะมาเฉยๆหรอกมันมีเหตุต้องเคลียเหตุดันดอกใช่ไะถ้าไม่เอาเหตุดันดอกมันวนอยู่นั่นแหละกลัวอยู่นั่นแหละไม่สบายทั้งนั้นแหละจะนอนพวกยิมนิ่มมันก็ไม่นิ่มหรอกจะนอนบ้านหลังใหญ่มันก็ไม่ใหญ่หรอกใจมันน้อยมันจะหดมันอกจะตายเอาแน่ มันแบกอะไรหนักอยู่เหมวอนงทีนอนแบกเนี่ยยิบมันแบกเหมือนกัายเดีวนะนอนมันก็แบกจะไม่วางวันทีน้ำตามันไหลก็ตั้งคืนเนียระไม่รู้มันแบกอะไรใจโยไม่รู้จักแร้วเพราะไม่ไปภาวนาไม่ทำสมาธิบันดังตองค้นคว้าหาได้ถ้าเรามันขาดอาหารทางจิตอาหารกายมันพอควรแล้วอการพูดไม่ค่อยสะดวก พูดจะส่งไปให้คนนี้ให้คนนี้ส่งไปให้คนนั้นไปถึงคนที่สามหนึ่งเดียวเพร่อนอรู้บางทีส่งไปห้าชิ้นไปถึงคนโนดชิ้นเดียวก็ไม่พอเลยเนี่ยอันนี้มันก็แย่อยู่แต่ว่าลาบากค่อยๆฟังต้อเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นให้ญาติโยมทั้งหลายเห็นใจฮะถ้าหากว่าอาธรมาอธิบายไปนี่ก็พอฟังได้หรอกมาติดต่อกันเนี่ย ไม่ได้ส่งให้ใครเอาให้เฉพาะเฉพาะไมได้หมดมีส่งให้ท่านก็พาการโร่ในส่งให้ผิดท่อนหรือจะส่งให้โยมในสองท่อนนั่นก็ได้บางทีไม่มีเลยไม่มีเลยนั่นเป็นอย่างนั้นเอาละที่นี่นะเอาที่นี่พอควรต่อนีปลายก็เอออ่าจะให้มีต่อไปนี่ในโอกาสพอควรน่าจะให้อ่าเขาใช้หนังให้ให้ดู หนังนอ่อเอาออกมาจากวัดสงกระพงไทยแลนด์ ด, ดีซีกรุงดันดอนเขาไปถ่ายทอดอาตมามากรุงดันดอนได้มาแวะมาจะถือมาด้วยด้วยอืโดยถ่ายเรื่องพระสงฆ์อยู่กันอย่างไรพระสงฆ์อยู่ในป่าทําอะไรกันเดี๋ยนอนกินข้าวอยู่ที่เถอยๆดิทาอะไรกันอย่างนี้นประชาชนทั้งหลายไม่รู้จิตของพระแค่นั้นก็าจึงถ่ายเป็นภาพหนังมาให้ดู ต่อไปจะเป็นคืนที่สองที่ลุงพ่อจะนำพวกฝรังและคนไทยนั่งสมาธิภาวนาและการเทศด้วยที่ประเทศแคนาดากรุงแวนคูเวอร์สถานที่นั่นก็อยู่มหาวิทยาลัย แมวิทย่ไรฟิลิสแคลิมอเบียแล้วก็อยู่เราทำสมาธิกันในห้องเขาเลียกห้องน า, นานาชาติจะได้โอกาสฟังต่อไปอแล้วก็จะเป็นตรงกับวันที่วันที่เจ็ดเดือนมิถุนาตรงกับวันพฤหัสความที่จะทำกรรมฐานเป็นเนื่องแรกจะต้องมี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 ดังนั้นการทำสมาธิวันนี้ให้ญาติโยมทั้งหลายพึ่งเข้าใจแต่ว่านั่งให้ปกติสบายขัดสมาธิให้สบายแล้วก็ให้ดูทาทีของเราที่นั่งอยู่คือร่างกายเนี่ยให้ตรงแล้วก็นั่งกายให้ตรงแล้วก็ดับตาลงสักนิดหนึ่งแล้วก็พิจารณา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 ลอยตามสภาวะของมันกายกับจิตลอยจะไปบังคับมันธุราหน้าที่ที่จะทาวันนี้ก็เป็นอยู่อย่างนี้โยมตั้งหลายอย่าคิดมากไปกว่านี้ความคิดและความรู้สึกของเราที่มันมีอยู่ในปัจจุบันนี้อย่าให้มันดิ่งไปทางหน้าอย่าให้มันกลับไปทางหลังอย่าให้ไปทางซ้ายอย่าให้ไปทางขวาอย่าขึ้นทางบน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 ตามความรู้ให้ตามลมเข้าแล้วก็ตามลมออกเข้าออกเท่านี้เมื่อหากว่าจิตที่มันไม่สงบเกิดขึ้นมามันวุ่นวายให้ถืบลมเข้าไปให้มากที่สุดแล้วก็เก็บไว้แล้วก็หายลมออกไปให้หมดที่สุดแล้วก็เก็บไว้สามครั้งแล้วก็ตั้งจิตกำหนดลมต่อไปอีกอย่างเดิมแต่จิตบุ่นวาย เห็นไหมปรากดลมไหมที่มันออกทางจมูกเข้าทางจมูกเห็นหรือยังผู้รู้ลมมีแล้วหรือยังให้รู้เฉพาะอย่างนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากมายแม่ให้คิดอะไรมากมายให้ดูลมอย่างเดียวเท่านั้นแล้วปล่อยลมให้ส ม, ม่ําเสมอปล่อยลมให้ส ม, ม่ําเสมออย่าให้มัน ้าเกินไปให้มันเร็วเกินไปให้มันยาวเกินไปใหญ่มันขั้นเกินไปมันพอดีขนาดไหนก็อเอาขนาดนั้นแล้วก็เป็นปกตินั่งกำหนดลมเข้าออกเท่านั้นก็พ อ, อแล้วอันนี้เป็นธุระหน้าที่ที่จะต้องทำในปัจจุบันวันนี้เดี๋ยวนี้ยกจิบขึ้นมาจะเห็นไหมเห็นจิบจะของไหม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 อย่าพึ่งไปจับมันมาปลอ่อยมันมันคนละเรื่องไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราทุระหน้าที่ของเราให้กำหนดจิตคือรู้ลมเข้าออกเท่านั้นก็พอแล้วไม่ต้องทําความรําคาญไม่ต้องทําความยุ่งยากกับเพียงอนันอื่นและกับคนอื่นๆเอาเกรียมนั่งเข้าที่ที่สงบเทียงหลับตาลงสักนิดหนึ่งนั่งอยู่เพื่นราบพอนั่งคัตสมาธิ เอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้ง่ายให้ตรงกำหนดลมหายใจข้าออกให้สม่ำเสมอเท่านั้นเอาลงมือทำได้แล้วลงมือทำการปฏิบัติได้แล้วมันลาบากแตหน่อยอันนี้เรียวกว่าการนั่งนั่งสมาธิไม่ใช่ว่าเราจะนั่งตลอดไปหรอกนั่งสมาธินี่ จ้างตัวจิตให้สงบพอได้เป็นฐานจิตในบุญวายอตอนนั้นเรามีโอกาสที่จะนั่งในลาสักสามสิบนาทียี่สิบนาทีเราก็คันนั่งของเราปัดเราสุดแล้วให้จิตเป็นสมาธิจิตมันเยียดเย็นถ้าหากว่าเราทำนานในการนั่ง่ะมันไม่ยากหรอกอ พอนั่งเขาสักสองนาทีเท่านั้นมันก็สงบเท่านั้นแหละออันนี้ไม่เคยตามรักษามันมนั่งปล่อยมันไปทั่วนานเรื่องมันก็ไปตามเรื่องมัเท่านั้นเลยไม่ได้ฝึกนะบางคนเราก็ไม่ได้ฝึกจิตไม่ได้ปฏิบัติก็เห็นว่ามันยากมันลาบากเยอเกินอย่างนั่งวันนี้แหละ บางท่านบางคนมันจะบทุกข์มากพลิกไปพลิกมาอยู่อย่างนั้นแหละอ่นี่มันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะมันมันเจรกละลานเพราะเรายังไม่เป็นเราฝึกใหม่บางคนก็ท้อใจก็เห็นว่ามันทํายากมันลาบากอ่าอะไรทํายากๆมันไม่ทำได้แต่มันดีอะไรที่มันง่ายง่ายมันทำง่ายง่ายมันต้องทำหรอกที่มันสะอาดอย่างเนี้ยมันจะไปทําสะอาดมันทําไม มันสะอาดอยู่แล้วได้ทำที่สุกกรกให้มันสะอาดนั้นจึงเกิดประโยชน์ยกตัวอย่างเส้นสร้างอาคารหลังนี้หลังที่เราเดยมานั่งจะมาฐานวันนี้ก่อนจะสร้างอาคารหลังนี้นะสถานที่นี้อยู่ไม่ได้ต้องขนไม้มาขนเด็กมาขนปูนมาสารพัดอย่างจิตกะละลามอยู่ตรงนี้อยู่ไม่ได้คนระัเพราะอะไร ถ้เรายังสร้างไม่เสร็จบัดนี้เขาสร้างเสร็จแล้วนั่งสบายไหมมีอะไรเรจะะร็บกะแลลานไหมคือเจ็บปูนเข้าที่มันเจ็บเด็กเข้าที่มันเจ็บไม้เข้าที่มันเรียบร้อยน่ะไม่มีอะไรเรจะะร็บกะแลลานก็นั่งสบายอย่างนี้ก่อนมันก็ต้องลําบากอย่างนั้นเหมือนกันอาคารดังที่เรานั่งอยู่นี้ยิ่งยั่งนั่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ นี้ต้องเปรียบผู้ประมาติอย่างนั้นอันนี้เราเริ่มทําไม่ว่าจะสร้างอาคารในแม่เรียนหนังสือก็ที่เกียดพวกเรากันใช่ไหมไม่อยากไปเรียนในที่เดียดมันต้องบ่าพ่อแม่ต้องถูกบังคับไปดังนั้นออืมดังนั้นเราที่เรียนจึงมีความรู้วิชามารู้จากคุณค่าของการศึกษาเราเรียนเราจะต้องคิดอย่างนี้จะต้องฝึกคิตโดยวิธวีอย่างนี้ แนะนำจิตเราอย่างนี้จิตจึงจะมีกำลังเมื่อเราทำชำนานแล้วไม่ต้องนั่งโดยทีนี้ก็ได้เราจะนั่งโต๊ะนั่งเก้าอี้ทํางานเราอย่างนี้นมีความกําหนดรู้มีสติดิตตามอารมณ์ของเราอยู่ดันจิตมันก็สงบได้ทําจนจิตเรามันฉลาดทําจนจิตมันชํานาญทําจนจิตมันเป็นอย่างนั้น จะยืนอยู่มันก็มีความรู้สึกอย่างนั้นจะนอนอยู่มันก็มีความรู้สึกอย่างนั้นจะเดินไปไหนมาไหนมันก็ต้องเป็นอยู่อย่างนั้นมันถึงความตรงของมันแล้วบางคนก็ความคิดคิดว่าจะบงังคับมันอย่างนี้เรือ่อยไปลำบากทุกยากอย่างนี้เรือ่อยไปไม่ใช่อย่างนั้น ừ, ฉะนั้นการงานที่เราทำเสร็จแดงมันก็สบายที่เรายังไม่ทำไม่เสร็จมันก็ย <ham> ังไม่สบายเหมือนกันไม่แปกอะไรกันเลยอย่างี้ ถ้ามันทํำลาบากม า, กนา น, น, า น, นมาหยุดอย่างนี้อาจจะมาคนนี้แแล้วเหมือนกันเอาเหมือากันเนี่ยอยงนี้นกันมันทุกข์ยากลําบากอือ응อี่านี้มันใน่ลำบากอย่างนั้นมันเกิดผลจะแล้วพอจะว่าเราอยากใจจิตสงบตอนนี้นนน ม, นดดมันนั่งหยุดที่ไหนดับตาตรงกำหนดจิตแล้วก็สงบตอนนั้นเนี่ยอย่างนั้นมันฝึกมันแล้วมันง่ายอือ응เ <laughs> <laughs> มื่อจิตใจวุว่นวาย เรานั่งสงบตอนนี้มันก็รวมครึบกันมาแหละเลิกปัญหาก็หมดไปอย่างนี้นอกนั่นไปแล้วก็สงบเรามีความรู้สึกพิจารณาเรื่องอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วมันหลับไปที่เกิดแล้วมันก็หลับไปเท่านั้นมันก็ไม่มีอะไรมากมายไอ้ความดีใจเกิดขึ้นมาวูบหนึ่งก็หายไปเอ้ความเสียใจเกิดขึ้นมาวูบหนึ่งก็หายไปแต่ไม่มีอะไรจะเนี้ย แต่เราไปหิ้มตามมันเลยก็เป็นทุกข์เป็นภาตุของมันเท่านั้นเนี่ยมันเกิดแล้วก็รับไปเกิดแล้วก็รับไปเ้ารู้ธรรมะอย่างเนี้ยจิตก็สงบร้อมกันปัญญาเกิดขึ้นมาปัญหามันก็ไม่มีมีมันก็น้อยไม่ต้องแก้มันนะมันจะแก้ในตัวมันเองได้นั่นเนี่ยต่อไปนั่นมนะีคือปัญญาเรายัางเน่เกิดเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเราทําคิดหรือถูก เราคิดถูกหรือคิดผิดในปัจจุบันนี้อย่างนั้นอนาคตท่านก็รมแหยมุ่งมันอดีตตั้งให้วางมันจะทําในปัจจุบันอย่างนี้จิตมันก็สงบเท่านั้นแหละหรือใครมีความเห็นอย่างไรไหมมีอะไรไหมเขาถามว่าลูกพ่อจะสบายใจอย่างไรที่ไปดูตุ้นสัตว์คือมันสัตว์นั้นมันมันทุกข์มันถูกมันถูกขังไว้นะครับ อังนจะมาคนไม่ได้จะถังมันใครสีไปถังมันคนนั่นเดี๋ยวเป็นโทษเท่านั้นเนี่ยมัจะมาจะไปเซ็นอะไรล่ะอัน น, น, นี้อันนี้ที่ไปประบาทเนี่ยนกนกเขาจับมาแล้วก็เอามาขายวันนี้จะก็ปล่อยมันไปเดี๋ยวก็พรุ่งนี้จับมาขายวันนึงจะมาเดินก็ไใในประบาทเนี่ยวะน้องพ่อ ชื่อนกปล่อยอ่ะมันอยู่ในกงนรกงน่ะอาตมาตาเรมองเนี้ยงกงกูก่ใครจับมันมาฉันจับมันมาใครจับ ม, มาก่อคนนั่นปล่อยมันดี่ใช่อาตมาปล่อยทำไมทำไมละ่ะโยมจับมายอมก็ปล่อยมันท่านนั้นเนี่ยอาตมาไม่จับมาจะปล่อยทำไมละ่ะอืมนะอาตมาไปปล่อยนกโยมโยมก็โกรธท่านั้นแหละแต่ผมมองดูละทักมาจากไหน ใช่อุเบกขาเนี่ยมาเราไปทําไม่ได้นกเขาเจับมาถังไวนะ้เนี่ยไปต่อยของเขาดาิบจิตกรางขอเขาดิมันยิ่งเป็นโทษใหญ่แตแล้วนะ้ารอยกรรมของกัดมันเป็นอยู่อย่างนั้นจะทําไงมันเก็ไปดูเนี่เป็นอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางๆไม่ส่งเสริมไม่ติดต่อดูเท่านั้นนะเนี่ยเพราะเห็นหื่นลกมันเป็นงนะี้เนาะถ้าเอาไ้ทําไม่เอามาคถังไอ้คนก็อยากจะดูมัน ับมันมาขางไว้ความเป็นเรื่องของโลกถ้าหากว่าเราจะไปบังคับให้เขาปล่อยมันจะดีไหมนะนี่เกิดเรื่องใหญ่เลยถ้าเราเห็นอย่างนี้น ะ, ป, ะปล่อยไว้เป็นกลางๆใช่ไหมเป็นอุเบกขามี่คิดมัธยัสอยู่ไม่ใช่วางเฉยจนเกินไปคิดอยู่เหมือนกันแต่วางใจเป็นกลางๆไว้แบ่งให้คนจับมาอย่างหนึ่งแบ่งให้นกเขมถูกอย่างหนึ่งเราอยู่ที่เฉยไม่มีอะไรนะเนี่ยโลกเป็นอย่างนั้น เรารู้อย่างนี้ก็ไม่มีอะไรแลร้วทำไงมีอะไรอีกไหมความเจ็บปวดหรือว่าทุกนั้นครับรวคบว า, คาคมสุขเมื่อเ ห, หมือนกันอย่างไรนะครับหรือว่าคล้ายกันอย่างไรนะครับเหมือนกับกระต้นไม้กับปลายไม้ต่างกันหนึ่งไรไหมทั้งก้นกับทั้งปลายมันเป็นไงไหมทุกทุกทั้งสองอย่างนี้ตัองอ้งใหญ่ไปจับมันจะไปห ม, มายมั่นมัน ทุกกับทุกเหมือนกับงูให้เราเห็นแล้วแล้วก็ปล่อยมันด้วยมันตายถ้าไปจับแล้วมันกัดนะไหมทุกของฉันมันกัดชุกของฉันมันกัดเหมือนงัวชุกกับเหมือนมูวตัวหนึ่งงัวสารพิษทุกข์กับมันงัวสารพิษนั่นเองถ้าเห็นแล้วก็เห็นว่ามันเป็นพิษแต่ก็ปล่อยมันไปยุกทุกข์กับมันกันเหมือนมัวถ้าเราไปจับมาแม่มันชุกแล้วเกินเนี่ยเนี่ยมันหายไปมันจะเป็นทุกข์ขึ้นมา มันมีราคาเท่ากันนั่นแหละแต่หายคิดในธรรมะถึงจะรู้จักแต่คนมันไม่ชอบไม่ชอบทุกเอาเาสุกทางนั้นนะไม่ใช่เอาสุกเหมือนเอาทุกนะเนี่ยเอาทุกเหมือนเอาสุก น, นะขข ม, ม, นกนนะมันเป็นอย่าง น, านั้นเอาอีกมีอะไรอีกไหม้ถาถามเรื่องการปฏิบัติในปัจจุบันนะครับจะทากันยังไงถ้าวาราปัจจุบันอย่างเดียว ไม่ได้เลยลึกถึงอดีตที่เราได้เรียนได้ทําอะไรมาและได้วางโครงการที่จะทําต่อไปนั้ น, ม, นมันจะจ ะ, จะมีขั้วเจริญยังไงนะครับเรายังไม่เข้าใจในธรรมะปะัจจุบันนี้ก็เพราะมันผลของอดีตใช่ไหมปัจจุบันนี้มันเป็นเหตุของอนาคตใช่ไหมเมื่อเรามาพีนาปัจจุบันนี้ก็มันพิจาณาอาดีตอนาคตเท่านั้นและมันจะไปตรงไหนละ่ะอ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 ปฏิบัติก็ดีอยู่ในตามประเพณีของอทิศตะวันออกอเช่นเมืองไทยเรานี้ครับแต่ว่าท่าสงสัยว่าการปฏิบัติอย่างนี้มันไม่ค่อยสมดุลเพราะว่าการจะเลี้ยงเราการจะ อ, อุปถัมเราอะไรทุกอย่างก็โยมมาทําให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะแล้วก็อันนี้ก็คงจะเป็นความเห็นของ ชาวทวันจกหลายคนนะก็คล้<อ>ายๆว่าเขาไม่ได้พูดแต่ว่าไปในคำ น, นองว่าเราเห็นแก่ตัวแต่ว่ามันจะทําอย่างนั้นมันจะให้มันสมดุลยังไงถ้าโยมไม่ได้ไปขโมยของเขาเนี่ยเพราว่าโยไมไปขโมยของเขามันจะกินความเขาไหมอ อ, อย่างงั้นแหละไม่ต้องยากเลวเนี่ยทําไปนี่เปื่อเมตตาสัตย์ใครมีความทุกข์มีความเห็นผิด สอนให้รู้เรื่องกันให้สล้วมาขีดโงเครียวกันสอนให้คนรู้จักธรรมะให้คมเคลียวกันให้เดียดเดียนซึ่งกันในการแต่เรามองเห็นเป็นอย่างงั้นเนี่ยมันเห็นแก่ตัวนะแต่พระก็ไม่เอาอไรหิงานมือเดียวเท่านั้นน่ะลิงก็ยังเบี้ยงใบตัวหนึ่งนะมันกินแต่ข้าวเดีวต่อไหนคนมาดูเท่านั้นเนีะเบี้ยงพระไว้เนี่ ย, นะนน ย, ย, นนยสอนคนให้รู้จักศีลธรรมไม่ให้เดียดียนซึ่งกันด้วยกันอย่างนั้นโยมจะเห็นแก่ตัวตามใจเท่านั้นแหละนะ อ้าอาร่ยจอร่อยจงเีพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับบ้านนะมีอะไรเาใไปถามได้คือถ้าถามเรื่องมัดที่องค์แตนนะครับเรื่องจะมาอาชีโวการเลี้ยงชีวตชอบนั้นเขาเป็นทนายความและ ก็ต้องมีการเขียนการอะไรต่ออะไรหลา ย, อ, ายอย่างในการเป็นทนายความอย่างนี้เข้าควรจะปฏิบัติอย่างไรในชีวิตเขาและตามสมาอาชีพทั่วทั่วไปสำหรับคนใดทนายความเหรอเราตรงไปตรงมาหรือเปล่า <c oughs> พยายามอยู่ไม่วนะ่าจะทนายความะนะนายหลวงกขาช่างพฤติกรรมไม่ถูกแล้วไม่ถูกทั้งนั้น ถทำผิดมันไม่ถูกหรมันผิดตรงนั้นเนี่ยไม่ว่า จ, จะทนายความเนี่ยนายหลวงประช่งเดี๋ยวถ้าทำผิดแล้มันไม่ถูกหรอกมันผิดตรงนั้ น, นธรรมะเป็นอย่างเนี้แก้ไขอะไรแก้ไขให้มันถูกเท่านั้นแหละอย่าไปทำผิดเดี๋ยนั้นเนี่ ย, ย, นนยก็พอแล้วนอกจากนั้นไปพยายามหาเอาแต่ค่อยๆไปโดยดีๆไหนเป็ น, น, นะสีปัญญาของเรา ตรงที่เราจะต้องทํางานเราตีเจนาเอาเองมันผิดหรือถูกต้องเจนารอาเองจะเป็นทนายความเรียนเรียนกฎหมายเหน่อหมดจะต่างมากเหมือนกันนะไม่ควรจะทําให้มันผิดดีกว่าตรงทุนมากแล้วจะทําในผิดดีมันก็ไม่เคยดีเท่านั้นหเนี่ยถ้าถามพระพระก็ต้องตอบไปอย่างนี้ฮะธรรมะมันเป็นอย่างนี้แล้วกระสุดแด้แต่โยกจะยกไปปฏิบัติเอาโดยปัญญาของโยมเนี่ยนะ ในการปฏิบัติเราควรจะดูอย่างไรเป็นเป็นป้ายดูในเป็นป้ายหรือว่าเป็นมุมหมายในเส้นหลักเป็นหลักก็ได้เป็นหลักในการปฏิบัติแล้วคนจะดูยังไงนะครับดูจิตของเราสิดูจิตของเราเนี่ยมันตรงไปตรงมาหรือเปล่าเนี่ยมันเบียดคนนั้นไหมมันรักคนนี้ไหม มันช่วยคนนั้นไหมมันไม่ช่วยคนนี้ไหมดูจิตของเรานั่นแหละไม่ดูอื่นหรอกมันมีอันเดียวเท่านั้นเนี่ยมีจิตอันเดียวเท่านั้นทํามจิตที่มันตรงเท่านั้ น, นดูจิตของเราสามาทิติก็เกิดตรงนั้นแหละตรงที่จิตตรงนั้นเน่ยชาวพุทธเชื่อมีธาตุหน้าไหมนะครับฮะว่ายังไงว่ายัางไงคือมีชีวิตแต่ ตายจะหกชาติอันนี้จะมีหกชาติ<ม>ตอันต่อไปไหมครับออครั้หน้ามีไหมเงี้ยเนอครับครุ่งนี้มีหรือเปล่า <c oughs> อนาคตมีหรือเปล่าอาดีตมีหรือเปล่าปัจจุบันมีหรือเปล่าอันนี้ให้ไปคิดเอาเองถ้าถ้ายมถามว่าไอันหน้ชาติหน้ามีหรือเปล่าถ้าอาจจะมาว่ามี คุณจะทำเนี่ยคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าคุณเชื่อคุณก็งู้นเท่านั้นแหละก็พรนั่งอยู่ดในการาจะมาว่าชาติหน้ามีก็เชื่อไม่มีก็พูดอะไรละนี่ดูอย่างนี้อันนี้ไม่เป็นปัญหาที่จะต้องตอบแต่แล้วอ่ะตอบจะมีอะไรพรุ่งนี้มีหรือเปล่าอนาคตมีหรือเปล่าอดีตมีหรือเปล่าปัจจุบันมีหรือเปล่ามันคงเหมือนกันเท่านั้นเนี่ยอันนี้รู้เท่านี้หม ป, ปัญหามันต้องแก้เอาเองเท่านั้นเนี่ ตาจะมา่าไอ้ชอาติหน้ามีนิยมก็เชื่อถ้าโยมเชื่อโยอมก็หมดปัญญาคนก็จะมากะนั่งอยู่นี่เองว่าชาติหน้ามีแต่เชื่อไม่มีผลอะไรเนะนี่ยมันเป็นแต่อย่างนั้นแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นปัญหาที่จะต้องตอบ จ, จะแล้วนมันเป็นสัญหาที่ต้องย้อนเสหายจะห่องในให้ติดตากันนะถามปัญหาแล้วจะต้องเอาไปปฏิบัติยจะถามทิ้งนะต้องจับไปเป็นประกอบให้ปัญญาเกิดขึ้นิจารนาให้เป็นข้อปฏิบัติ ที่นั่งสมาธิเงียบๆไม่สงสัยเลยเนี่ยอยู่ต่อหน้าเนี่ยนั่งสมาธิเงียบๆเนี่ยไม่สงสัยจ้ะนั่งไม่เหนื่อยเลยไงคนอื่ น, นเขหนื่อยอันนี้ไม่มีบทเลยเนื่อยหรือเปล่า <c oughs> อ่าพวงนี้ไม่มีอะไรนะอายากาชมทุกๆคนนะ วันนี้อาจจะมาขอลาไปก่อนแล้วเนาะพรุ่งนี้จะเดินทางกลับไปจะแล้วทุกทุกคนคคมีความวุ่นุ่ยินดีใจใจมากถึงแม่วายอมจะจะถามปัญหาทุกอย่างพอใจพอใจที่จะให้ความเห็นพอใจที่จะตอบตรงไปตรงม า, าเที่ยวนี้เอาแค่นี้ก่อนนะอบรมให้แต่กับฝึกย่อมฝึก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 กรรมฐานเยอะอย่างนี้ครูสอนกรรมฐานกว่มากระวังมันจะถูกครูปลอมกว่ามันจะลำบากในความกลัวมันก็ดีเหมือนกันเนื่งยิติดครูบาอาจารย์มากลัวไม่ไม่กล้าแสดงอะไรตัวอะไรที่เน้อตายมาตายตัวนั้นจไม่ตายตัวนั้นคิความคิดของคนเราเนี่ยมันแปลกนะที่มันสังเริในหนังสือปฏิจัติ อย่างที่นอนเราเราทําไปเดินไปถึงไปถึงที่นอนมันติอยากจะนอนไม่รู้ว่เป็นไงในครยงเงีไม่ตั้งใจเข้าไปแล้วเข้าไปในครัวแล้วลนึกอยากอหารนั่นนั่นอะไนี้ตายไปที่นอนปะตื่นอยากนอนจิตใจมันจะดีอย่างเงี้นคนเราไม่จะดีอย่างเง้ยคือคือคือไม่ไม่ค่อยอยากจะนอนหรอกธรรมดา วเวราเดินผ่านในสนาส ท, ที่นอนอตะกูลอย่างนอนนึกยังนอนมันเป็นเจ็นปีศาจอย่างนี้นะที่เมากันไปนั่งใกล้ครูบาอาจารย์เราเพิ่มกาลังเอมันกเลยเเึ๊บกระดึ่บวก็้วปวดไม่ค่ยจะมากอะไ ร, ะรก็เพราะวันทไปที่เลยนกระดึกระดึ๊บความคิดเราเนื่อกกำหนดเบื้องแรกเรานั่ง ก็นั่งไปพุกหวังคือคือเนั่งการ น, นั่งสมาธิี่ไม่ใช่ว่าการเอาใจใส่ให้มันมากะคือทําด้วยการปล่อยวางปกติกายเราปกติลมเรามาันเป็นย่างไงเมื่อเรานั่งเอาขาขวาทับขาซายพอดีกตกปล่อยจะหายใจตามสบายไม่ต้องหยุดไม่ต้องรัดไม่ต้องเอาสั้นเอายาวปล่อยตามสบายถ้าเกิดกำนัลตู้ ให้ลมมันติดอย่างไรทุบลมมันติดอย่ามความสบายทุกเรื่องมันบางทีมันสะหมดไปเลอเราจะไปหวังอะไรมันมากมายบางทีหวังอยากแก้มันสงบติดกัดฟันเลยเขาแม่นอนเงี้ยนั่นยาบางแห่งก็ได้เอาทุบไปจุดไฟอ้าถ้าทูบดอกนี่มันหมดอันนี้จะรู้จักที่นี้จะติดจะไปทำติดนี้นึงจะไปทำทพบหรือกำหนดไปเลย พอหยุดทุบเขาเป็นกักเรียนงวดทุบดอกนี oh, <othes S 2> ้งวดแค่นี้เนีดูีแน่โอ้เป็นะไรมองโอ้ตายเลยเนี่ยนั่งลาคาญอีกแล้วไปนั่งสองนาทีแล้วมันนานเนี่ยดูใจปวดเหงาขนะดโอ้ดูใจบางทีมนออกถ้าออกว่าในบ้านมันก็ว่าไอ้เจ้าของด่คอยสั่งแท้ตั้งแนี่ยดีเลยวุ่วายเนมัน มันไม่โทษคนอื่นใค้โทษเจ้าของไปะหววเจ้าของทีถอยมาใน้นภาวนานะ่คือมันหวังเกินไปค น, น, ะป น, น, นละวัเป็นลูกส่วนหนึ่งไปดูอะไรเป็นนั่งไปแตนก็ไปัวยิ่งทุนกัไปยิ่งลำบากอ่าวลองลองดูไปได้สู้แล้วไม่ได้นั่นดับลาบมันเคื่อตัวมันยิ่งไปดูมันเละขาด ชั่วคราวตอนอา ย, อยุตอนนี้ปวดเมยปวดเจ็บปวดนอนนั่งนั่งปกติยังมีจินั่งจิตเนี่ย 1, ลมหนึ่งลมสองจิตของเราที่องรู้เนี่ย้ายมันถูกต้องมันน้ยการเจ็บปวดที่เกิดยังไม่เกิดมันจะงกกก่อนจะแน่จิตสะถูกก่อนเนี่ ย, ยอันนี้ปวดที่ังไม่มีการปวดเดแล้รถ้าไม่ถูกวัวนบางทีมันไม่เข้าจะมาที่นั่งยิมันไหว นานในเก็บก่อนหัวดอดอะไรทีนี้นั่งจะมุงไปได้แต่ฉันปวดเลยเนี่ยแต่เรานั่งง่ายมางทีมันล่อยผิวมันมีความสะดวกก่อนนันีกคือะมากมีบ่อยตะมุงไปเนี่ยอยงเคยมีในบางครั้งมันจะมุงง่ายเรา่องจากตัวมีผิวปวดที่ดเค่อยๆปวดทุกวันทุกวันปวดทุกวันทุกวันเนี่ยมันลาบเลยเมื่อนั่งทุกลงเลือดตัวมันวิ่งตะมุง เรานั่งหมายถึงว่าบางทีมันจะขัดเนี่ยเลือดดวงมันวิ่งมันจะการเนี่หนึ่งไปในึ่งไปมันเจ็บปวดถ้านทำให้ดีแน่พระพุทธเจ้าจนมาให้นั่งเนี่ยมันตรงยันเพื่อนยันนี้ยันเพื่อนยันนี้ยันเพื่อนยันนี้นั่งสมาทาทางตรง้าไปคือคือคือมันมันมันมันมันะบายทุกส่วเลือดดวงมันระบายดูพระพุทรูปตอนที่ตุยย์คือดวงพระเนแร ออกมึงได้เนี่ยปล้วตะไ้มันสบายทีนี้เหมือนเมื่อวางผูกมันคมันสงบไปเลยในรู้ตึ๊บวดเลยนันไม่อยากลุกมนไม่อยากไปที่ไหนมันสบายวันนั้นถ้าว่าจิตสงบแล้วมันก็ตอนเช้ามาอีกมันจะสงบสบายมองไปในว่าดันี้ที่เรื่องถูกอกถูกใจดปแล้วเนี่ยเมื่อจิตมันสงบแล้วเนี่ยสบายไม่วุ่นวาย ถ้าคิดไปเราะมองมองไปในครัวนะมันวุ่นวายขนาดนั้นตรงนีนม้มันวุ่วามันยุ่งในใจของเราเราคิดจสมาธิมันดุจัดวันจับวันนี้มนจากวันนี้จะทาทำมันสบายใจมันก็นสมาธิดีุดเขาพยายามลุกจะนั่งสมาธิแต่ว่ามันทยากทำไมขี้เหร่เราทเจมันตีเตมันเคย ถ้าเราถ้าเราเคยเคิดอยนไม่ทำไาได้ะให้เราคิ ด, คดิตต้ให้จิตตามจิตสถิตจิตตามติตตามผูร้รู้ไม่ใช่ว่าเรานั่งสมาธิเียเมื่อที่เราทำนะยเราอยู่บ้านนะตอนกลางวันเราถ่ายต่อในบ้นเรอยู่เร า, า, า, น, านั่งตรงนก็จะารนี้แห้ะจรสราในชค ได้กันนั่นเนี่ยให้มันิยดตอบกันเพราะว่าตอนกัาคืนในเวลามันค่อยชอบเก็บไว้ในตอนกางวันเก็บเรื่อยนะเมื่อเวลามันว่างเราเก็บเราเลื่อนถึงไงเราจะเก็บเมื่อถึงเวลาเราว่างสมมตวพัก่อนคือตองห้าใจประทับแตงโมผิวห้านาทีมเปรื่องในความรู้สึกมันจะมีความอยากการถามจมาธีของเรามันจะติดตอกัน บางคนก็เข้าใจว่าการการทําสมาธิการปฏิบัตินี้จะไปการการนั่งอันนี้ไม่ไป่ถูกเมื่อเรามีสติอยู่นั่นครที่มีสติอยู่แล้วมันอยู่จากความชอบเราอยู่ตลอดเมื่อกิจบุตรมาอย่างนี้เราเราหนะนักหนุนคนวเราติดตามจิตต้อง อ, อยู่ตรง น, นเมื่อเราเมื่อเมื่อเราไม่นอนเมื่อเราไม่นอนให้เรามี กิจตารข้าเราอยูม่มารื่ถ้าเมื่อเรานอนนัก็หายใจขับออกแห่งกองตั้งใจนอนนอนแล้วก็บอกตัวเราว่านอนนี่แล้วก็ตั้งใจนอนเมื่อตื่นขึ้นเมื่ อ, อไรก็จะทาตรงวียร์ของราเองนะรวจสมใาใจขับออกกันหมดจริงทั้งวันทุกวันวนะ ทีนี้ในการดับของคนนะมันจะไม่รับนตัวตื่นมันจะมีอยู่ตัวตื่นมันจะมีอยู่คนนอนดมมือคนนอนกัดฟันเป็นภาวนาอายดีไม่ดียิ่งจะไม่ฝันไปด้วยคือมันฝันในไท้ายมันตื่นอยู่เราลืมตากันอยู่ทีไม่ฝันนีเราจะเห็นในการที่พระพุทธองค์เป็นมาท่านในนอนท่านไม่รับ คจิตมันตื่นจิตมันตื่นอยู่ม่เสร็ไม่เสจการหลับไม่เสร็นไม้ศิษ์าถาไม้ศิษาในคือเื่องจิตมัน ถ, ถ, ถ, ถ้ามื่เราจะนอนราถกกำหนดหายใจต่อตเออนอนอปุ๊บจะไปมันตื่นอยู่มันรู้อยู่เมื่อคนจะมาหาพุบเท่านั้นนะรู้แล้วพูดง่ายคนขโมยของไม่ได้พูดกันยันง่าย มันตื่นมันตื่น อ, อยู่ในหลับหลับอยู่ในตื่นตื่นอยู่ในหลับม่นความยากเหมือนกันนะบางอย่างเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นกาปฏิบัติเนี่ยเมื่อกินเป็นนั้นเนี่ยมันมีวอลล์สกอร์เยากก็ไม่เรื่องความสามารถของมนุษยเขาในบริการปฏิบัติของเขาก็ดูยากที่ว่าจะอันไรที่ สําคัญอันใดที่จําเป็นในชีวิตในการกระทําในชีวิตของเขาพระเมื่อทําทแล้วก็รู้สึกว่าจะมีประโยชน์แต่เมื่อทําทมาแล้วพิจารณาแล้วเมื่อทําทมาแล้วแล้วจะพิพจารณาก็เลยสงสยัยสิ่งทั้งหลายนั้นมันจะจะมีประโยชน์หรือเปล่า ที่เราทำสมาธิเลิกทำมาดีกว่ไม่ทมําได้วนะดูอย่างนี้ก็รู้จักที่เราสงสัยนั่นเราอยากได้มากกว่านั้นเราอยากได้มากกว่านั้นอยากให้ดีมากกว่านั้นมันก็ดู ด, ดูแล้วรู้มันไม่ได้อะไรเพราะมันไม่ไม่พอกับความอยากของมนุษย์เราโปรดง่ายไหมใครโกรดไหม ไม่โกรธง่ายแต่ว่าเคได้โกรธรู้ทันมันไหเนี่ยจะดูนี้ที่โกรธแล้วก็เห็นโทษพร้อมๆกันมันนั่นและมันดีแล้วมันดีขึ้นแล้วเนี่ยมันรู้อย่างนั้นถ้าคนไม่ทํำสมาธิมันจะเห็นอย่างนั้นไหมค่อยๆดูเท่านั้นยาวเหยียมากเองอย่าไปตั้งความหวังใต่มากมันรู้จักว่ามันรู้เท่าความโกรธมันนะจไป ตอนนี้บ่าอาจะบอกตัวเยอย่างเดียมากก็เรายังอยู่ในคารวะอย่นะอยากจะให้มนันหายความโกรธตอนนี้ปว็วัดตอนนมันอคนเดียวมันต้อปูตกไขยติดคือคือคือการกระทำทำสมาธิทำปฏิติเนี่ยไม่ใช่ทาเพื่อเอามานะทำเพื่อวาองออกไม่ใช่ทำอาไร อ, อย่าทำเพื่อความอยาก ทำเพื่อความปลอยวางถ้าทำเพื่อความอยากทำเพื่อาการรัามาประสงสัยสร้างผิดใหม่ถ้าทำในความอยากอะไรมันก็ไม่พอแร้วแต่มันมีปัญหาไปเรื่อยๆไม่อยากมันจะทำไงไนะมันต้องอยากทำาขึ้นทาได้จ น, น, นเกดเแล้วพัยางเลยจะมาเสี่ยงอะไรอยู่ปั้นอะไรหรืวดจริงเลยทำไม่ให้อยากมันจะทำไงไมไทำเดินเะนี่ยนี่ มันมีมันมีที่แต่แย่ยงเงี้ยแต่พระพุทธเจ้าทำไม่ทาเป็นความยากทําป็นการปล่อยวางแต่คนทีศาจน่ทาเรื่องการปล่อยวางไม่อยากทำก็ไม่ทำแต่นันออกแนอันนี้มันจงจงไม่มีนามันดีดว่าีดเรื่องอะไรมันที่ดี ท, ท, ท, ที่ม <Ừ. sigu S 2> ันจะมีปัญญาหลายเหมือนกันไม่ใช่เรื่องที่นิติสาจิตถีลัทธิมมาจิตถี่มันชู้กันเิน มันมีข้อแก้ทุกอย่างมื่อี่สู่ใน่ไหวผมกลับบ้านนะ